ที่74หลวงพ่อในป่าชันเช้าและท่านพระครูก็เตรียมเครื่องอัฐบริการอันหมายถึงเครื่องใช้สอยของนักบวชในพระพุทธศาสนาซึ่งมี8อย่างได้แก่สบงจีวรสังคติบาทมิโกนเข็มประคตเอวกระบอกกรองน้ำและเนื่องจากเป็นการทุดดงท่านจึงเพิ่มกดอีกหลังหนึ่งนอกเหนือจากเครื่องใช้8อย่างข้างต้น ภิกษุวัยหออกเดินทางจากวัดป่ามะม่วงเวลา9้านาฬิกามุ่งหน้าสู่ภูคาอันเป็นจุดมุ่งหมายหลวงพ่อในป่ามาบอกในสมาธิว่าให้พบท่านที่ภูคาจังหวัดน่านสมภารวัดป่ามะม่วงออกสงสัยว่าเหตุใดจึงไม่ให้มาพบที่เดิมคือใต้ต้นไทรจังหวัดขอนแก่นซึ่ง โยมอดีตผู้ใหญ่บ้านเคยไปพบท่านเมื่อย0สิบปีก่อนท่านคงจะมีเหตุผลอะไรบางอย่างเป็นแน่แตะวันคล้อยชายมาพรับภิกษุวัยสก็มาถึงที่หมายคาถาย่นระยะทางมีประโยชน์มหาศาลท่านไม่จำเป็นต้องพึ่งยานพาหนะใดๆก็มาถึงได้เห็นพระในป่านั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ใต้ต้นว่า จึงเข้าไปหาปลดสัมภาระออกจากบาวางไว้ทางด้านขวามือแล้วคุกเข่ากราบเบญจางคปดิษฐ์สามครั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อขอรับกระผมพระครูเจริญมาตามสัญญาแล้วขอรับภิกษุวัยกลางคนกล่าวว่าจาอันแสดงถึงความเคารพ น, นอบน้อมพระในป่าลืมตามองผู้มาใหม่ด้วยสายตาชื่นชมแล้วกล่าวว่า ยินดีต้อนรับเป็นอย่างไรบ้างเดินทางลำบากไหมเสียงที่พูดกังวานน่าฟังไม่ลำบากขอรับกระผมมาเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดพักไม่ได้ฉันเพนแต่ก็ไม่รู้สึกหิวพระเดศพระคุณอยู่ที่นี่สบายดีหรือคอรับเธอใช้คาถาย่อนระยะทางและทำไมพูดว่ามาเรื่อยๆเหนื่อยก็หยุดพักทั้งที่ไม่เหนื่อย แล้วก็ไม่ได้หยุดพักหลวงพ่อในป่าท้วงติงกรอนมันพาไปขอรับกระผมขอประทานโทษที่พูดเกินความจริงพูดกับเราธรมาธรมดาๆเธอเราเป็นพระในป่าไม่มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรเรียกเราว่าหลวงพ่อเฉยๆก็ได้หรือจะเรียกหลงพ่อดำเหมือนที่ใครๆก็เรียกก็ตามใจ หลวงพ่อชื่อดำเหรอครับหลวงพ่อบวชมากี่พรรษาแล้วมีฉายาว่าอะไรส่วนฉายาผมทิตตธรรมโมครับหลวงพ่อในป่าตอบว่านามและฉายาเป็นเรื่องสมมุติบัญญตัติเราละสิ่งเหล่านั้นได้แล้วที่ให้เธอเรียกว่าหลวงพ่อดำก็ไม่ได้หมายความว่าเรามีชื่อดำเพียงแต่ได้ยินใครๆก็เรียกเราอย่างนี้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 ที่ผมจำพรรษาอยู่ก่อนย้ายมาวัดป่ามะม่วงปฏิบัติอยู่ถึงสิบปีจึงตอบปริศนาธรรมหลวงพ่อได้มาได้ตอนกำลังยืนหนอนี่เองผมจึงจดบันทึกไว้เป็นตำรา ว, ว่าถ้าใครทำยืนหนอได้ก็จะตอบปัญหาได้พอทำได้แล้วจึงรู้ว่าง่ายมากใช่ไหมนี่แหละเขาเรียกว่าย่าปากคอก บางคนปฏิบัติมาเป็น 20-30 บสปียังทำยืนหนอไม่ได้เราจึงต้องเลือกคนที่เราจะให้กรรมฐานอย่างไรละ่ะไม่ใช่ให้สุ่ม 4, สี่สมหต้องดูหน้าตาก่อนว่าเขารับได้ไหมรับแล้วจะเอาไปทิ้งหรือเปล่าเพราะเหตุเนี้ยจึงได้ให้ไปเพียงสองรายเท่านั้นแล้วมีรายที่สามอีกไหมครับ ภิกษุวัย45ใครรู้มีแน่นอนอีกเจปีข้างหน้าเราจะให้กรรมฐานเป็นรายที่สาส่วนรายที่สี่คงไม่มีท่านชิงตอบก่อนที่จะถูกถามเรื่องรายที่สี่เพราะอะไรล่ะครับหรือว่าหลวงพ่อจะ ละสังขารไม่มีคำตอบจากหลวงพ่อดำสมภารวัดป่ามะม่วงจึงเข้าใจเอาเองว่าท่านคงจะละสังขารหลังจากที่ให้กรรมฐานแก่สิทธิ์ครบสามรายแล้วเงียบกันไปครู่หนึ่งภิกษุผู้เป็นลูกศิษย์ก็พูดขึ้นว่าหลวงพ่อให้กรรมฐานสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีสแสดงว่าหลวงพ่อต้องมีอายุไม่ต่ากว่า300รอปีเป็นไปได้หรอครับ ที่คนจะมีอายุยืนยาวถึงปานนี้เท่าที่ผมเคยเห็นอย่างมากก็ไม่เกินร้อยยี่สิปีเพิ่งจะมีหลวงพ่ออายุยืนยาวมากอยู่มาได้ถึงสิบรัชกาลเธอไม่เชื่อกระนั้นหรือผมยอมรับว่าไม่อยากจะเชื่อหากก็ต้องเชื่อเพราะจำนวนต่อหลักฐานเมื่อยี่สิปีก่อนที่ผมพบหลวงพ่อครั้งแรก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 โยมคนนั้นเขาบอกกับเธอว่าอย่างไรลรือเขาบอกว่าสมัยที่เขาเป็นเด็กเลี้ยงควายอายุ8ปดเขวบหลวงพ่อก็ดูรูปร่างเท่านี้รูปร่างหน้าตาอย่างนี้กระทั่งเขาอายุ84่หลวงพ่อก็ยังเหมือนเดิมพูดถึงโยมคนนี้ไม่ทราบว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าครับตายไปหลายปีแล้วถ้ายังอยู่อายุก็ร้อยห้าปีเข้าปีนี้ เป็นอะไรตายครับไม่หายใจแล้วก็ไม่กินข้าวถ้าหายใจเข้าว้แล้วกินข้าวเข้าว้ก็รับรองว่าไม่ตายคำตอบเจอได้รอยยิ้มจางๆบนใบหน้าทำให้ท่านพระครูรู้สึกผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางพลันมาลายหายไปสิน้นถ้าเช่นนั้นผมก็นิมนต์หลวงพ่อหายใจ แล้วก็ฉันข้าวต่อไปนานๆ น, น, นะครับความเป็นกันเองของหลวงพ่อในป่าทำให้ท่านพระครูรู้สึกเหมือนกำลังสนทนาอยู่กับญาติผู้ใหญ่ที่คุ้นเคยกันมานานหลวงพ่อรูปนี้มีอะไรผิดแปลกไปจากมนุษย์ธรรมดาอายุท่านคงอยู่ในราวสามร้อยปีหากก็ดูเหมือนคนอายุ70ผมบนศีรษะซึ่งยาวประมาณครึ่งกระเบียดนั้น ไม่มีงอกเลยแม้แต่เส้นเดียวท่านเป็นมนุษย์หรือว่าเป็นเทพแปลงมาหนาด้วยความพิศวงสงสัยจึงถามขึ้นว่าทําไมหลวงพ่อจึงดูไม่แก่กครับหรือว่าหลวงพ่อฉันยาอายุวัฒนะหลวงพ่อมียาอายุวนะใช่หรือเปล่าครับเราไม่เคยฉันยาอายุวัฒนะแต่เรารู้วิธีปรุงยาที่กินแล้วอายุยืน แล้วก็ใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดได้ด้วยเธอน่าจะนําไปปรุงฉันนะและบอกญาติโยมที่เขาต้องการกินยาอายุวัฒนะเราได้ตํารานี้มาจากสมเด็จพระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโขทยัยอยากได้ไหมละ่ะอยากครับหลวงพ่อกรุณาบอกผมด้วยเถอะครับว่าปรุงอย่างไรท่านจัดการหยิบสมุดและดินสอออกมาจากย่าม สองสิ่งนี้ขาดไม่ได้เพราะท่านมีคติประจําใจว่าสิ่งใดงามอย่าได้งดขอให้มันจดมันจําเห็นลูกศิษย์มีความตั้งใจจริงหลวงพ่อดำจึงเบาวิธีปรุงยาอายุวัฒนะพร้อมแล้วก็จดได้เลยยาขนาดนี้ปรุงง่ายใช้เครื่องปรุงเพียงสามอย่างได้แก่เกลือสามมะขามเจ็ดบรเพศห้า คือเกรือเม็ดสามถ้วยตวงมะขามเปียกแกะเม็ดออกหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเจ็ดถ้วยตวงบรเพีหั่นบางๆชิ้นเล็กๆห้าถ้วยตวงแล้วก็นําครกหินมาใบหนึ่งโคลกเกลือกับบรเพชธให้ละเอียดก่อนแล้วก็ใส่มะขามที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ล, ลงไปโคล ร, รวมกันจนละเอียดผสมน้ำผึ้งแท้พอปั้นได้ แล้วก็เก็บใส่โหลไว้กินเวลาจะกินให้ปั้นเป็นก้อนโตๆหนึ่งก้อนกินก่อนอาหารเช้าเย็นเสกด้วยอิติปิโสขณะปรุงยาให้สวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไปด้วยยานี้มีสรรพคุณแก้โรคมะเร็งเม็ดเลือดได้ชะงัดนักห้ามใช้เครื่องปั่นนะต้องใช้ครกหินในอนาคตคนจะเครียดแล้วเป็นมะเร็งกันมากยานี้จะแก้ได้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 หลวงพ่อเป็นพระอรหันต์พูดเหมือนอุทานออกมาแต่แรกท่านเพียงสงสัยว่าหลวงพ่อองค์นี้คงสำเร็จเป็นพระอรหันต์หากมาบัดนี้ท่านมั่นใจเต็มร้อยว่าหลวงพ่อในป่าต้องเป็นพระอรหันต์เธอยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แล้วเหตุใดจึงมาพยากณรว่าผู้อื่นเป็นนั่นม่ใช่วิสัยของสักยบุตรพุทธโอรสเลย ผมเพียงแต่คาดคะเนเอาเท่านั้นเองครับหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้หลวงพ่อพูดถึงสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีผมอยากรู้เรื่องของพระองค์ท่านประวัติศาสต์บันทึกไว้ว่าพระองค์ท่านถูกสําเร็จโทษท่อนจันผมไม่อยากจะเชื่อไม่เชื่อก็ต้องพิสูจน์เอาเถอะแล้ววันหนึ่งเธอจะรู้ว่าความจริงเป็นอย่างไรกันแน่ ขอให้เธอหมั่นอธิษฐานจิตถึงพระองค์ท่านอย่างสม่ำเสมอแล้วพระองค์ท่านจะทรงมาชี้แจงกับเธอว่าอะไรเป็นอะไรให้เธอรู้จักพระองค์ท่านจะดีกว่ารู้จักเราแต่จะบอกให้รู้สักอย่างหนึ่งว่าทรงสำเร็จอรัตผลเป็นพระอรหันต์แล้วเธอจะสื่อสารกับพระองค์ได้โดยทางจิตเท่านั้นถ้อยคำของหลวงพ่อดาทาให้ท่านพระครู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 หากผมพิสูจน์ได้ว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีไม่ได้ถูกสำเร็จโทษ ด, ด้วยท่านจันทร์ผมจะให้ไปขออนุญาตจากหอสมุดแห่งชาติเปลี่ยนประวัติศาสตร์เสัมให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพราะผมไม่อยากให้อนุชนรุ่นหลังเรียนสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างเรื่องค่ายบางระจันทร์ก็บันทึกไว้ไม่ตรงกับความเป็นจริงเธอรู้ได้อย่างไร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 ผมต้องพิสูจน์ว่าสิ่งที่เธอพูดมานั้นจริงหรือเท็จเมื่อกลับถึงวัดผมก็เข้าฌานตั้งแต่ปฐมฌานเรื่อยไปจนถึงจะตุททฌานออกจากจะตุททฌานแล้วผมก็น้อมจิตไปให้ได้อภิน ญ, ญาและแล้วบุพเพนิวาสานุสติญาณก็บังเกิดขึ้นผมสามารถละลึกชาติแต่หลหลังได้ถึงเจ็ดชาติแม้จะเป็นเพียงทุลีดินที่เทียบกับบุพเพนิวาสานุสติญาณ ของพระพุทธองค์หากก็ทำให้ผมได้รู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดนั้นมีจริงสัพสัตพากันเวียนว่ายวกวนอยู่ในสงสารสาครก็เพราะกรรมผมจึงตั้งปณิธานไว้ว่าจะต้องว้ข้ามสงสารสาครนนี้ให้ได้ผมจะต้องถึงฝั่งคือพระนิพพานให้ได้พูดด้วยความมุ่งมั่น เธอจะถึงฝังอย่างแน่นอนการออกทุดงในครั้งนี้จะช่วยให้เธอช่วยเข้าใกล้ฝังมากที่สุดว่าแต่เธอพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นแม่ของเธอพิสูจน์ได้ครับเธอเป็นแม่ผมจริงและผมก็ได้ให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่พอจะช่วยได้แต่กรรมของเธอยังไม่สิ้นสุดเพราะจะต้องชดใช้กรรมที่ทาไว้กับบ่าวเมื่อชาติที่แล้ว ซึ่งในชาตินี้คือสามีของเธอผมคงต้องช่วยเธออีกเพื่อตอบแทนบุญคุณที่เคยเป็นแม่ลูกกันมาเป็นอันว่าชาติที่แล้วเธอเป็นแม่ทัพครับหลวงพ่อและผมรู้เรื่องค่ายบางระจันว่าชนะพะมา่าเพราะฝีมือผู้หญิงแต่ประวัติศาสตร์บันทึกไว้ว่าเพราะพวกผู้ชายเอาความดีไปให้ผู้ชายทั้งที่พวกผู้ชายพา ก, กันละเลย ที่ไม่เมาก็เห็นมีแต่พระอาจารย์ธรรมโชตเท่านั้นคนเมาขาดสติจะสู้รบตบมือกับใครได้ถ้าผู้หญิงไม่ช่วยไว้รับรองถูกทหารฆ่าตัดหัวทิ้งหมดผมเป็นคนยุติธรรมไม่เข้าข้างผู้ชายด้วยกันหรอกครับใครผิดก็ว่าผิดถูกก็ว่าถูกทำไมผู้หญิงบางระจันถึงเก่งกาจขนาดนั้นอยู่ๆก็ลุกขึ้นมาสู้พมา่าอย่างนั้นหรือหลวงพ่อดาอยากจะทราบเหตุผล หลวงพ่อเคยได้ยินเขาพูดกันว่าผู้หญิงมีมายาร้อยเล่มเกลียนไหมครับผู้หญิงเป็นเพศอ่อนแอไม่แข็งแรงเหมือนผู้ชายถ้ารบกันซึ่งซึ่งหน้าก็ต้องแพ้แต่ผู้หญิงชนะเพราะใช้มานยาโดยมีคุณหญิงปล้องเป็นต้นคิดคุณหญิงปล้องเป็นภรยาพระยาวิเศษชัยชาญพอรู้ว่าสามีถูกพม่าฆ่าตายก็โกรธแค้น รวบรวมพวกผู้หญิงไปสู้กับพระมาาโดยใช้มานยาเป็นอาวุธสำคัญพวกผู้หญิงเข้าพากันห่มผ้าตะเบงมานให้ดูธรัดะแมงแต่ซ่อนอาวุธไว้ที่ชายพกผู้หญิงสมัยนั้นเขานุ่งโจงกระเบนครับหลวงพ่อพวกศัตรูจึงดูไม่ออกว่ามีอาวุธซ่อนอยู่ในผ้าท่านหยุดเล่าด้วยไม่แน่ใจว่าหลวงพ่อดำยังสนใจที่จะฟังต่อหรือไม่ เล่าต่อสิคุณหยุดใช่ทำไมละ่ะกำลังฟังเพลินๆหลวงพ่อในป่า พ, พูดขึ้นท่านพระครูจึงเล่าต่อครับคุณหญิงปล้องจึงนําพวกผู้หญิงจากวิเศษชัยชาญมายัางค่ายบางระจันระหว่างทางก็ชักชวนพวกสาวๆมาด้วยพ่อมาถึงค่ายบางระจันก็ตรงไปที่ค่ายพวกทหารพาม่าพอเห็นผู้หญิงก็ตาลุกเหมือนพวกสมภารแก่วัด บวชมานานพอเห็นสีกงสีกาก็ทาท่าจะฟัดอย่างนั้นแหละคราวนี้หลวงพ่อดำถึงกับหัวเราะหึห่เพราะขำในคำพูดของท่านพักครูเธอนี่ช่างสัญหาเรื่องขำขำ ม, มาเล่านะเราอยู่ป่ามานานได้ฟังเรื่องสนุกสนุกรู้สึกชีวิตมีชีวาขึ้นหลวงพ่อเป็นพระอรหรันยังชอบเรื่องสนุกสนุกมีชีวิตชีวาอีกด้วยเหรอครับ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 ท่านพระครูจึงเล่าต่อคุณหญิงปล้องก็ให้พวกสาวๆใช้มานยาหญิงเข้าไปเอาอกเอาใจทหารพมา่าแล้วก็มอมเหล้าด้วยแต่ก็ต้องทำให้แนบเนียนไม่ให้ศัตรูสงสยัยเลยชวนการร้องรำทำเพลง ก็เกิดเพลงอีเซลขึ้นเพลงอีแซลก็คือพวกผู้หญิงจะร้องเพลงแซลพมา่าร้องเพลงไปป้อนเหล้าไปไม่ช้าพวกทหารพม่าก็แอไปตามๆกันคุณหญิงปล้องก็ส่งสัญญาณให้พวกสาวๆนำอาวุธที่ซ่อนไว้ในชายพกออกมาประหัดประหารพมา่าพวกพม่าซึ่งกำลังเม า, มาไม่ได้สติไม่มีทางสู้ถูกคุณหญิงปล้องและพักพวกฆ่าตายเป็นเบื่อเลย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 เมื่อถึงเวลาก็จะรู้เองครับผมจะต้องรอจนกว่าเวลานั้นจะมาถึงท่านหยุดเล่าไปประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็พูดขึ้นว่าเล่าเนี่ยไม่ดีเลยนะครับหลวงพ่อผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนถึงชอบเดืมกันนะักจริงอยู่เล่าอาจจะมีคุณบ้างตรงที่เดื่มแล้วทำให้ใคลายทุกแต่โทษของมันนั้นมหาศารเพราะทาให้ขาดสติ พระพุทธองค์ตรัสสอนว่าคนที่ขาดสติก็คือคนที่ตายแล้วผมไม่ชอบคนดื่มเหล้าเลยแล้วก็เชื่อ ว, ว่าคนดื่มเหล้าเป็นคนไม่ดีคนดีต้องไม่ดื่มเหล้าผมมีความเชื่อว่าค่ายบางระจันต้องพ่ายแพ้แกพม่าในตอนหลังก็เพราะเหล้าเป็นเหตุเพราะเมื่อทางค่ายขอกองทับไปทางกรุงศรีอยุธยาพระราชาสมัยนั้นก็ไม่ได้นำพา เพราะว่าทรงหมกมุ่นอยู่กับสุรานารีคนบางระจันขาดขวัญและกำลังใจพวกผู้ชายก็แก้ปัญหาด้วยการเดิมเหล้าเมามายจนในที่สุดต้องพ่ายแพ้แกพ่พม่าไปอย่างน่าเสียดายที่แพ้ไม่ใช่เพราะไม่มีฝีมือแต่เพราะขาดสติในอนาคตจะพากันติดเหล้ามากขึ้นทั้งผู้หญิงผู้ชายและพวกเขาก็จะพากันขาดสติละเมิดศีลได้ทุกข้อ บ้านเมืองจะประสบปัญหาทั้งทางเศ ร, รษฐกิจการเมืองคนที่จะอยู่ได้อย่างมีความสุขก็คือคนที่หันหน้าเข้ามาหาร่มทาเท่านั้นวัดของเธอจะมีประชาชนเข้ามาปฏิบัติธรรมเป็นหมื่นเป็นแสนเธอก็จะเป็นที่พึ่งให้พวกเขาได้การที่เธอออกธุ ด, ดงในครั้งนี้จะช่วยชาติได้มาหาศาลผมก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับหลวงพ่อ แต่ผมก็มีข้อข้องใจอยากเรียนถามหลวงพ่อว่าทำไมหลวงพ่อจึงไม่นัดให้ผมไปพบที่ใต้ต้นไทรจังหวัดขอนแก่นทำไมจึงให้มาพบที่นี่หลวงพ่อมีเหตุผลอะไรเหรอครับเพราะที่ขอนแก่นไม่มีต้นไทรให้เราไปนั่งเขาสร้างเขื่อนอุบลรัดขึ้นบริเวณ น, นั้นจึงถูกน้ำท่วมหมดแล้วแม้ว่าต้นไทรจะยังอยู่แต่ก็อยู่ในน้า เราคงไม่สะดวกที่จะนั่งสนทนากับเธอในน้ำอย่างนั้นเหรอครับผมก็ทราบมาเหมือนกันว่ามีการสร้างเขื่อนขึ้นแต่ไม่ทราบว่าเป็นบริเวณนั้นผมคงไม่สะดวกเช่นกันถ้าจะให้ผมพบหลวงพ่อในน้ำภิกษุวัยสี่สิบพูดยิ้มยิ้ม